วิญญาณตามหลอนจากห้องชนะสูตรพศพสัมผัสสยองเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งดเดาว่านี่เป็นเรื่องแรกของเราที่จะมาเล่า เรื่องราวอาจจะไม่น่ากลัวสักเท่าไรแต่เราภูมิใจที่อยากจะนำเสนอในมุมแปลกที่เราเคยเจอหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยก่อนที่จะเล่าเราขออภัยไปยังสถานที่บุคคลที่เราได้กล่าวถึงไว้นาทีนี้ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ของเราที่อยากทำงานด้านจิตอาสาเรื่องมีอยู่ว่า เมื่อประมาณต้นปี2557เราได้มีโอกาสเข้าไปบริจาคลงศพที่สถานที่แห่งหนึ่งในกรุงเทพเราอยากให้พี่เจ้าหน้าที่พาเราเข้าไปดูศพเพื่อเป็นการปลงแม้ว่าปกติเราจะเป็นคนกลัวผีมากก็ตามแต่วันนั้นนึกยังไงไม่รู้เอ่ยปากขอพี่เจ้าหน้าที่ว่าอยากมาช่วยแต่งหน้าศพพี่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไร เพราะเข้าใจเจตนาของเราดีแล้วเราก็เริ่มแต่งหน้าศพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยไม่เคยมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นปกติแล้วเราจะใช้เวลาประมาณหนึ่งสองชั่วโมงช่วงเที่ยงถึงบ่ายจากนั้นเราก็เข้าออฟฟิศไปทำงานช่วงแรกพี่เจหนาที่ให้เราช่วยแค่แต่งหน้าหลังจากที่เขาผ่าเย็บใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้ว แต่พอไปบ่อยๆเข้าพี่เขาก็ให้เราเลื่อนตำแหน่งไปเป็นคนช่วยสระผมอาบน้ำแต่งตัวและแต่งหน้าซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องเห็นผู้เสียชีวิตทุกคนในสภาพที่ไม่ชวนมองแรกๆก็ทำไปไม่เคยเจออะไรแปลกๆจะมีก็เพียงแค่กลิ่นที่ติดมาเท่านั้นพอขึ้นปีที่สองประมาณต้นปี2558 จำได้เลยว่าเป็นศพเด็กอายุประมาณหนึ่งขวบเสียชีวิตจากปอดบวมเราก็แต่งตัว้าแป้งให้กับน้องแต่วันนั้นเรารู้สึกสงสารน้องมากและคิดในใจว่าน้องมีบุญน้อยขอให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีถ้ามีบุญกับพี่ก็มาเกิดเป็นลูกพี่ก็ได้หลังจากเสร็จงานในวันนั้นเรากลับคอนโด ระหว่างทางก็เจอเด็กๆเล่นกันอยู่เราเดินตามปกติแต่มีเด็กคนหนึ่งมองหน้าเราแล้วอีกคนก็มองตามและก็ยิ้มให้ซึ่งโดยปกติแล้วเด็กจะไม่ค่อยกล้าสบตาเราสักเท่าไหร่เพราะเราสีหน้าค่อนข้างโหดแต่เด็กพวกนั้นเดินตามมาจนถึงหน้าลิบตตอนนั้นเรายังไม่คิดอะไรจนกระทั่งเข้าลิบไปก็มีคุณแม่คนหนึ่ง อุ้มลูกเข้ามาในลิบเด็กน้อยคนนั้นมองเราตาไม่กระพริบตอนนี้เราเริ่มเอกใจนึกถึงเด็กที่เราแต่งตัวให้เมื่อตอนกลางวันแล้วในคืนเดียวกันนั้นเพื่อนก็มาใสานอนที่ห้องเราหลังจากที่หลับไปกลางดึกเขารุกไปเข้าห้องน้ำโดยไม่เปิดไฟในห้องหรือไฟในห้องน้ำเพราะห้องของเรานั้น ถ้าไม่ปิดมา่านจะยังพอมีแสงสว่างอยู่บ้างทำให้เห็นได้หมดระหว่างที่เขานั่งทําธุระอยู่ก็สลืมสลือเหมือนคนตื่นมาเข้าห้องน้ํากลางดึกทั่วๆไปพอเขาใกล้เสร็จธุระก็ลืมตาขึ้นแล้วเขาก็ได้เห็นเงาดำๆของเด็กผู้ชายนั่งในท่าคุกเขา่าอยู่ที่มุมสุดของพื้นห้องน้าเด็กคนนั้น กำลังจ้องมองเขาอยู่พอเขาเห็นก็ตัวสั่นด้วยความกลัวรีบเดินมานอนข้างๆเราและเล่าให้เราฟังว่าเขาเจออะไรในห้องน้ำเราก็บอกเขาว่าแค่ตาฝาดไปหรือเปล่าแต่ในใจเรานั้นรู้แล้วว่าต้องเป็นน้องคนนั้นแน่ๆจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นเรากับเพื่อนก็ลงลิฟต์ไปทำงานด้วยกันตามปกติ พอเข้าไปในลิฟต์ก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกเข้ามาด้วยเด็กคนนั้นเป็นเด็กเล็กอายุประมาณหกเดือนได้และไม่ใช่เด็กคนที่เจอเมื่อวานด้วยเด็กได้หันหน้ามาจ้องมองเราอีกแล้วแต่คราวนี้เราเล่นด้วยยิ้มและพูดหยอกล้อไปด้วยแล้วก็เห็นน้องจ้องมองเราตาไม่กระพริบเรามั่นใจทันทีเลยว่า ต้องเป็นน้องคนนั้นแน่ๆสงสัยว่าน้องคงจะตามเรามาเราเลยอธิษฐานในใจบอกให้เขากลับไปหาแม่ป่านนี้แม่เขาคงจะเดินทางมาติดต่อรับศพน้องแล้วหลังจากนั้นพอผ่านไปได้ระยะหนึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็ค่อยๆหายไปวันหนึ่งซึ่งเป็นอีกวัน ที่เราแวะเข้ามาทำหน้าที่ตามปกติในยามว่างเราจะช่วยงานไปโดยไม่คิดอะไรกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วแต่วันนั้นเราแต่งหน้าทำศพให้กับพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งแกดูอ้วนมาอ้วนจนแกนอนเลยลดเข็นออกมาเราก็แอ บ, บคิดในใจว่าที่เขาเป็นอะไรจึงเสียชีวิตหรือแก อาจจะมีโรคประจำตัวเราก็แอ บ, บมองท่อนแขนท่อนขาของพี่เขาเพราะใหญ่มากแล้วคิดในใจว่าหนูจะแต่งให้พี่สวยที่สุดนะคะหลังจากที่จิตอาสาเสร็จแล้ววันต่อมาเราก็ไปทำงานที่ออฟฟิศซึ่งเราต้องจอดรถชิดกำแพงตึกด้านหน้าก็จะมีกำแพงส่วนด้านหลังจะมีเสาปูน เวลาเข้าจอดรถจะต้องหักพวงมาลัยอยู่หลายครั้งเราก็หักพวงมา ล, ายลัยรถวันนั้นรู้สึกตั้งลำยากมากถึงแม้ว่าเราจะขับรถมาสิบปีแล้วก็ตามขณะที่กำลังตั้งลำจะจอดรถอยู่นั้นก็มีจังหวะหนึ่งที่เราเผลอเหยียบคันเร่งมากเกินไปจึงรีบเหยียบเบรกแต่ช่วงที่เบรกนั้นรู้สึกว่ารถหยุด แต่มันหยุดแปลกๆเหมือนชนกับอะไรบางอย่างที่นิ่มๆเด้งๆทำให้รถเด้งกลับซึ่งมันมีความรู้สึกเหมือนฟูกหรือที่นอนเราก็บรรยายไม่ถูกมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่ก็โล่งใจที่ไม่ไปชนอะไรเข้าในขณะที่เรายังจอดรถไม่เสร็จก็ถอยหลังอีกรอบคราวนี้รู้สึกว่า เหมือนกับถอยทับอะไรบางอย่างลักษณะเป็นทอนๆนิ่มๆซึ่งมันทำให้รถยกขึ้นและลงตอนนั้นเราเริ่มใจเสียแล้วพอจอดรถเสร็จเราก็รีบลงจากรถก้มมองดูที่ใต้ท้องรถว่าทับอะไรหรือเปล่าเราค่อยๆก้มมองลงไปก็ปรากฏว่าข้างใต้นั้นไม่มีอะไรเลยสักชิ้นเดียว พอเดินไปดูที่หน้ารถบริเวณนั้นก็ไม่มีอะไรที่เราชนแล้วนุ่มๆเลยจู่ๆเราก็นึกถึงสภาพร่างกายของพี่สาวคนนั้นขึ้นมาก็เลยเอ่ยปากขอโทษและขอบคุณที่มาส่งแถมยังช่วยไม่ให้รถชนเสาอีกวันต่อมาก็ได้จิตอาส า, ากับชายท่านหนึ่งสภาพร่างกายของเขาดูปกติดีแต่ที่ปากของพี่เขาฉีก เลยต้องใส่หน้ากา ก, กอนามัยปิดไวเพื่อไม่ให้ญาติรู้สึกสะเทือนใจมากเกินไปเมื่อมารับศพเราก็แต่งหน้าแต่งตัวให้พี่เขาในชุดสีน้ำตาลที่เขาใส่ในใจก็อธิษฐานด้วยความสงสารที่เขาต้องมาเสียชีวิตแบบนี้หลังจากที่เสร็จงานเราก็ขับรถเข้าออฟฟิศตลอดเวลาที่เราขับรถ เราได้กลิ่นเหม็นอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่เอกใจอะไรเพราะปกติกลิ่นจะติดเสื้อผ้ามาบ้างอยู่แล้วสักพักก็คงหายแต่วันนี้หนักกว่าทุกทีมันเหม็นจนเรารู้สึกอยากอ้วกอยู่ตลอดเวลาจนมาถึงออฟฟิศพยายามนั่งทำงานตามปกติก็ยังได้กลิ่นนั้นอยู่เลยเดินไปปริ้นงานที่เครื่องปริ้น อีกฟังหนึ่งห่างจากโต๊ะพอเปิดตู้เอกสารออกก็แทบจะอวกกลิ่นนั้นมันประทะเข้ามาเต็มจมูกจนแทบทนไม่ไหวซึ่งโดยปกติล้วกลิ่นที่ตู้เก็บกระดาษพวกนี้จะมีกลิ่นแบบกระดาษปกติแต่วันนี้กลิ่นมันเหม็นเน่ามามันเป็นกลิ่นข่าวเลือดจากศพเราเริ่มใจคอไม่ดีแล้ว นึกย้อนกลับไปว่าวันนี้เราคิดลบลูหรือคิดอะไรไม่ดีกับร่างไร้ชีวิตเหล่านั้นหรือเปล่าพยายามนึกอยู่นานแต่ก็นึกไม่ออกเลยเดินเข้าลิป์ลงไปสูบบุหรี่พอสูบเสร็จก็กลับเข้ามาที่ลิป์อีกครั้งปกติแล้วเราจะได้กลิ่นบุหรี่ที่ตัวเราแรงมากแต่วันนี้กลิ่นบุหรี่แทบไม่มีติดตัวเลย ทั้งในจมูกในลิปมีได้ ก, กลิ่นคาวเลือดพระครุงไปหมดจนเราใจเสียพอเข้ามาในออฟฟิศก็เจอแม่บ้านซึ่งเป็นคนมีเซนเรื่องพวกนี้แกมักจะเห็นอะไรที่เราไม่เห็นอยู่เสมอแล้วแกก็รีบเดินปรีเข้ามาหาเราด้วยหน้าตาตื่นแม่บ้านถามเราว่าวันนี้ไปทำจิตอาสามาหรือเปล่า เราก็พยัยามหน้าตอบรับไปว่าไปมาแม่บ้านก็ถามอีกว่าวันนี้เราแต่งตัวให้ผู้ชายผอมๆใส่เครื่องแบบชุดสีน้ำตาลใช่หรือเปล่าเราตกใจหน้าตาตื่นทันทีเพราะทุกครั้งเราจะไม่เคยบอกใครเลยว่าไปทำอะไรมาแม่บ้านพูดต่อว่าเขาคนนั้นเดินตามมาตั้งแต่เราออกจากลิบแล้ว ใบหน้าของเขาดูยิ้มแย้มเหมือนจะเป็นคนใจดีตอนนี้เขายืนยิ้มอยู่ที่หน้าประตูพอเราได้ยินดังนั้นก็ขนลุกยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูกคิดว่าพี่เขาคงจะมาส่งเราเราก็เลยพนมมือแล้วคิดในใจว่าขอบคุณพี่ที่มาส่งขอให้พี่ไปสู่ภพภูมิที่ดีและขอให้พี่กลับไปรับส่วนกุศล ที่ญาติร่วมทําไปให้ด้วยสักพักกลิ่นนั้นก็หายไปอาการผ อ, อืดผะอมก็หายไปด้วยนอกเหนือจากการที่เราเข้าไปทําจิตอาสาแล้วบางครั้งก็จะจัดกิจกรรมเป็นตัวแทนบอกบุญแก่เพื่อนๆคนรู้จักรับบริจาคเงินไปซื้อผ้าดิบและลงศพให้แกสถานที่อื่นๆเป็นประจำเพราะเราเชื่ออยู่เสมอว่า การทำบุญกับผู้เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดหรือรูปแบบใดก็ตามมักจะมีสิ่งเร้นลับมาคอยปกป้องคุ้มครองเราให้แคล้วคลาดปลอดภัยอยู่เสมอเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงของเราซึ่งมันเป็นความเชื่อของเราเองก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลด้วย สัมผัสสยอง